บทนี้ได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์มายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลลโลกที่จะให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากสูญสิ้นชีวิตไปแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการเปิดเผยสิ่งเร้นลับและเปิดม่านให้ความจริงประจักษ์ในวันอาคิระ์ะโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มครองใ ด, ดบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดสลลลม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 ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้มเมล็ดพืชออกมาแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระธรรมดัที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ